ขอความสุขความเจริญจุงมีแต่ท่านผู้ฟังเท่าไรแต่รมประพุทยานกม็มานำเสนอกระแนวที่เรียกว่าพระพธตรวัสัตว์เล่าลกันนะครัเพราะว่าพระพุทธเจ้ารับสั่งเล่าให้พระสงค์าังในโอกาสต่างๆเป็นเครื่องมือในการประกอบพระธรรมเทศนาือเล่าจากพระองค์แล้วก็ไปเน้นย้ำที่ตัวภิกษุ หมายความว่าพระองค์รู้อะไรก็ให้พระรู้อย่างนี้นเพราะฉะนั้นคือทางที่ทําให้พระองค์หลุดพ้นจากอํานาจกิเลสและความทุกข์วันก่อนเราได้พูดถึงขันห้าครบชุดวันนี้ก็มีอีกพระสูตรหนึ่งนะฮะเวทนาสังยุตม่่วาจะเวทนาสังยุตเป็นสังยุตนิกายสลายญาตนาวัต ก็เป็นการเล่าถึงทรงพิจารณาที่เวทนาด้วยโครงสร้างเดิมทีนี้ได้โปรดเข้าใจนะว่าสภาพจิตเราเนี่ยสภาพจิตของสัตว์โลกเนี่ยคือแกจะคว้าไปเรื่อยเอ่อมันก็เหมือนกับอะไรล่ะมันเหมือนกับเราจะข้ามคลองนะฮะจะข้ามคลองแล้วพ อ, อดีเรือจมมันก็คว้าอะไรไปเรื่อยแหละค ว, ว้าไปเรื่อยจนกว่าจะถึงฝั่ง ซึ่งบางครั้งบางคราวในเส้นทางที่กำ บ, บังขวาอยู่นี้ยอาจจะเจอ้ากศร้ากอะไรก็คว้าไปเดื่อเพื่อนำตัวเองให้ถึงฝั่งให้ได้เพราะฉะนั้นสัตว์โลกทั้งหลายก็มีลักษณะอย่างนั้นเพราะผู้มีพระเจ้าจึงทรงแสดงธรรมะในรูปดีแค่ๆกระดักหน้าเอาไว้อย่างอย่างเนี้ยอย่าง ทันที่คุณเรื่องสติปัฏฐาสติปัฏฐานสูตรอสติปัฏฐานก็ได้นะะคือเรื่องกายเวทนาจิตธรรมเรื่องกายเนี่ยคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันมีความกำหนัดละค่พอใจติดใจในสิ่งที่เป็นรู ป, ปรธรรมซึ่งสัมผัสได้ด้วยประสาททั้งห้าได้ก็คว้าปรารถนาการสารพัดเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็สอนให้ดูที่กายย่อยกันไปจนถึงศพเลย เพื่อให้ถ่ายถอนความกำหนัดนิติดความพอใจในกายตนแล้วก็กายบุคคลอื่นนะทีนี้ความรู้สึกเหล่านี้ที่จึงกายบุคคลอื่นก็เพื่อมาปลนปลื้กายตนนั่นเองเอาใจกันนักกายเนี่ยเป็นเป็นเรื่องแปลกว่าเราให้ความสำคัญแก่มันนะร่างกายเยดูแนะ ล, ลใจใส่สารพัดเลยให้กินให้อยู่อย่างดีเลยนะ แต่ว่าอยู่กันมาตั้งกี่ปีแล้วพูดกันไม่รู้เรื่องไงเป็นเรื่องแปลกแต่เราก็ต้องเอาใจมันแล้วก็พยายามสนองความต้องการของมันไปเรื่อยๆนะ เ, เมื่อไปแสดงที่ความไม่เที่ยงแท้ยั่งยืนของของกายหรือของรูปก็ตามนะคความไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาของ รูปเป็นต้นของกายเป็นต้นเราดันแล้เลยใจมันจะควาสุขเวทนานะเราจะเห็นว่ายัางสุขบนสวงสวรรค์ที่คงจะได้ยินว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะบางทีก็ไต่บันไดึันไปเรื่อยๆแสดงเรื่องทานเรื่องศีลซึ่งเป็นเหตุให้คนตายแล้วบังเกิดในสวรรค์เสร็จแล้วก็พนาสวรรค์สยจดย้อยสวยงามเลยเพอคนเพลินก็เชื้เห็นโทษของสวรรค์ พอเห็นตัวก้อนสวรรค์เสร็จแล้วก็จะหาทางออกให้กเรียกเนคขามาใ น, นสงฆ์ในสงฆ์ที่จะออกจากการาบแล้วก็ไปเข้าอารยิยสัจสี่เดี๋ยวแมบนเส้นทางสายเนี้ยที่จริงมันก็จน ม, มือนก็มีลูกล่ อ, อลูกชนอยู่เพื่อจะนําคนเหล่านั้นให้หลุดรอดจากกรงเล็บของกิเลสทั้งหลายเพรอได้เห็นว่าเวทนามันก็เป็นทุกข์เหมือนกันนั่นแหละ มันไม่เที่ยงเป็นทุกแวหนาตาเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันอาจจะอยู่นานหน่อยแต่นั้นเองทีนี้ปัญหาว่า น, นานแล้วดีไหมแล้วก็มีเรื่องที่น่าสังเกตเคยอ่านหนังสือนายตำนานเะมืองใต้ก็แปลของของฝรั่งนะใจความโดยสรุปว่ามีคนคนหนึ่งนะคไปได้พรจากเทวดาขอให้ขอพร อ, อย่างหนึ่งจะเอาอะไรก็จะให้ ขอให้แกมีอายุยืนแล้วก็มีความสุขนีอยยุยืนต้องการอายุยืนถามมายืนเท่าไหร่ขอห้าร้อยแน่ใจนะจะเอาทำอะไรตั้งห้าร้อยต่อรองให้แกลดหน่อยแกไม่ยอมลดเลยนะเพราะว่าถือโอกาสก็ให้ก่อนแนะวเทวดาบอกถ้าคุณรับค่อนแล้วคุณไม่ตายนะยังไม่ถึงห้ารอยนะเอาแน่นะเอาเอาก็เอา ปรากฏว่าแกอยู่ไปพักเดียวเนียลูกหลานเลนลื้อมันตาย้วเนนาดหมดแล้วอายุแกร้อยกว่าปีเนี่ยไม่เห็นหลานเลนแล้วเหงาแล้วคนแก่เหงาแล้ ว, ลลวตอนนานขึ้นไปเนี่ยฮะไม่ไม่มีใครรู้จักแล้วัสส า, า, าระเสือก็ปูดจ้า ก, กันไม่่อยรู้เรื่องแนะ่ะเปลี่ยนแปลงไปเยอะทำสารพัดที่ขอให้ตายนะมันไม่ยอมตายสักทีเดย กระโดดจากที่สูงก็แล้วทำอะไรก็แล้วกินยาตายก็แล้วไม่ตายสักทีอายุยังเหลืออยู่อีกตั้งสามร้อยกว่าก็แสดงว่าแก่อายุยังไม่ถึงสองร้อยนะฮะแต่มันเบื่อโลกสุดๆแล้วเลยก็ให้คนสร้างวงซุยไว้เข้าไปอยู่ข้างในนั้นนะ่ะปรากฏจะไม่ตายเนะลยเขียนบอกข้างนอกอีกสามร้อยกว่าปีเนี่ยฮะจะตาย นั่นก็เป็นตัวอย่างที่สอนคงไม่จริงอะไรหรอกแต่เป็นตัวอย่างสอนว่าถ้าเราอยู่อย่างนั้นน่ยเราเอาหรือเปล่าเป็นสุขอยู่ตลอดเลยแต่ว่าไม่มีใครไม่มีคนใกล้ชิดเกลเคียงเราก็ไม่เอาแล้วมันก็เดินไปถึงสมมติว่านะสมมติว่าเนี่ยสีแดงโทษกรรมเวทนาชัดเจนแล้วก็เบื่อหน่ายในเวทนาจะไปคว้าจิตนะทีนี้ จิตเที่ยงพวกนี้จิตจะเที่ยงไลยจะเป็นตัวตนยืนโรงถาวรเสร็จแล้วก็จะสอนน่าเห็นว่ามันเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนอเอาแก่ก็โดดฝ้าธรรมะเลยแกจะวิ่งไปอย่างนั้นเน่ะเพราะงั้นปริยายต้องธรรมะเราจึงพบว่าเบ็นอนุโลมเทศนาคือว่าจิตใจของคนก็เป็นเขาอย่างนั้นเพราะงั้นจะแก้ไขให้แก่เขาเขาก็ต้องรู้จักเขาชัดเจนนะเพราะในประเด็นตรงนี้จะแก้ยังไงประเด็นตรงนี้จะแก้ยังไง แล้วในเรื่องกงเวทนาก็เป็นเรื่องอย่างหนึ่งที่เพราะอะไรเพราะว่าพระองค์บําเพ็ญเพียรทางจิตนะอย่าลืมนะฮะพระองค์บำเพ็ญเพียรทางจิตมาในแนวเราเรียกว่าส ม, มะถะกรรมฐานนี่แหละแต่ว่าได้ฌานเพราะได้ฌานมันก็มีสุขมีสุขมันเกิดผุดขึ้นนะฮะเอปฐมฌานมันก็สุขแล้วนะเอ้วิโตกิจานปีติสุขกับเอกะกาตาโพาทุที่ฌานสุขก็ยังอยู่นะฮะจะตติยฌาน สุก็ยังอยู่พอจนถึงจะตุทะชาเนะยฮะสุขมันสงบอย่างเหนือเบขาแก่กักะตาพราะฉนถ้าก็สุขแล้วโดยเฉพาะสุขในทุติยชาเนี่ยท่านบอกมันประณีตมากคำนวณบาลีท่านแปลว่าเป็นสุขที่หวานใจยิ่งนักคือไม่รู้ไม่รู้จะแปลยังไงนะแต่หวานใจก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะว่ามันมั น, ม, นมันเป็นเป็ น, ปนอะไรยังไงมันต้องสัมผัสตรงวันนี้ต้องอาศัย ส, สัมผัสตรงของผู้ปฏิบัติขนาด พระนั้นก็ส่งศึกษาในเรื่องเวทนาขอ้อความเนี่ยก็คล้ายๆกับที่กล่าวไว้ในเรื่องขันห้าคือขอ้อความจะแนวเดียวกันเนี่ยนะเพราะว่ามันเป็นการศึกษาถึงรสอร่อยของเวทนาโดยเฉพาะสุขเวทนาที่เสวยในฐานะเป็นเทพที่เสวยในฐานะเป็นพรหมเนี่ยมันจะไปะนี่กันไปเลยเสวยในฐานะเป็นพระอรหัน เป็นพระญาบุคคลชั้นต่างๆและสเสวย ร, ระดับชาระดับมรรคผลมันมันเอเวทนามันเยอะนะฮะเวทนาที่ประสิสังยุตตะกามนะบุคคลก็อยู่ท่ามกลางสาวสาันกำไนก็ถือว่าเป็นสุกเวทนาก็แล้วแต่ก็จะคิดเอาเพราะฉะในในที่สุดพระองค์ก็มองมาศึกษาทําความรู้จักกับเวทนาเพราะวันติดได้เหมือนกันนะอย่าลืมว่าท่านอ阿าดาบทอุตกาดาบทท่านก็ติดแล้วก็ติดในสุขเวทนาที่สัมผัสเมื่อเข้าสมาบัติ ข้าสมาบัติข่าสมาบัติถึงจุดหนึ่งที่ยิง ท, ยงท่านดับสั้นยาดเวทนานะฮะพวกเรานี้เก่งขนาดนั้นนะแต่ว่าสุขที่เด่นเวทนาที่เด่นสุกเวทนาที่เด่นเนี่ยมันมาเด่นตอนที่ท่านบอกว่าเป็นทุติยชาตตอนนั้นมันจะมีปีติสุขกับเอกกตามีสาข้อปีติก็อึบอยู่มีแล้วนะสุขก็สุขเลยเอกกตาก็นิ่งกาตาให้ท่านเป็นสุขกระลับสั่งเล่าว่าพิสูตทั้งหลายเมื่อก่อนแต่การจัสรู้ เมื่อเรายังไม่ได้ศัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ความสงสัยได้เกิดขึ้นแกเราว่าอะไรเนอเป็นเวทนาอะไรเป็นความเกิดขึ้นพร้อมแห่งเวทนาอะไรเป็นปฏิทาถึงความเกิดถึงพร้อมแห่งเวทนาอะไรเป็นความดับโดยไม่เหลือแห่งเวทนาอะไรเป็นปฏิปทาให้ถึงซึ่งความดับโดยไม่เหลือแห่งเวทนาเราสังเกตนะฮะพวกนี้เล่นเต็มโครงสร้างของอริยสัจแล้วก็ พร้อมด้วยกระบวนการนะฮะกระบวนการเกิดของสิ่งเหล่านี้อะไรเป็นรสอร่อยของเวทนาอะไรเป็นโทษของเวทนาอะไรเป็นอุบายเครื่องสลัดออกอันนี้เหมือนกับข้ออื่นๆทีนี้ในที่สุดก็ทรงได้คําตอบเองนะได้คําตอบเองแล้วก็ชัดเจนมากพอสมควรก่อนที่เป็นพระโพธิสัตว์นะฮะแต่ว่าสมบูรณ์เนี่ยมันก็ตอนจัดสรุป แล้ว อ, อย่าลืมมาเวลารับสั่งเล่าเนี่ยตอนนั้นเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เล่าต่อมาเลยนะแต่ว่าเรื่องบางตอนเนี่ยมันมาสมบูรณ์ตอนที่ัสรุปรับสั่งว่าความรู้ข้อนี้ได้เกิดขึ้นแกเราว่าเวทนาสามอย่างเวทนาเนี่ยคือเวลาทรงแสดงเวทนาเนี่ยก็แล้วแต่นะครบางครั้งก็หนึ่งเวทนาขันนี่หนึ่งเวทนาสามเช่นสุขทุกข ทุกกมสุขคือไม่ถึงก็ทุกไปถึงก็สุขกลางๆแต่บางทีเราเจอเวทนาห้าบางทีเจอเวทนาหกบางทีเจอเวทนาเก้าก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่ามันพูดง่ายๆตอนต้นๆในพูดแค่สามก็พอพูดไปยาวไปก็จะยุ่งยากในการจำเพราะเวทนามันขับเคลื่อนขึ้นไปถึงร้อยแปดนะฮะร้อยแปดเนี่ยมันเกิดจากอะไรหกหนึ่งหกสองสองหสามสิบแปดสิบแปดเนี่ย อดีตสิบแปดวนาคุสิบแปดปัจจุบันสิบแปดอะไรแ่ไหเนี่ยเไปคูณกับตัณหาก็ไปอีกโอยไปกันใหญ่เลยคูณไปคูณมาก็ได้ร้อยแปดก็สรุปก็ทั้งหมดมันก็เป็ น, เ ป, นเป็นพวกเวทนาสุขทุกข์ทุกข์กามสุขมันเกิดจากจิตเราไปกำหนดนะฮะคือมันก็จริงจริงมันก็สักว่าเวทนาทั่เด็กเรากาหนดเอา มันไม่ได้มีอิทธิพลอำนาจอะไรหรอกถ้าเราไม่ให้ความต้องการแก่มันเนี่ยเห็นไหมสมมุติว่าหนาวเราเฉยๆมันก็ไม่มีอะไรอ่ะอย่างไปต่างประเทศเคยสังเกตอาตมานี่ไม่เคยสวมออะไรอ่ะอเสื้ออะไรเขาแกล้งยาวๆแต่ก็สวมกันเนี่ยพระบางองค์ก็ไปแล้วก็สวมเราไม่สวมอะแล้วก็เฉยๆ คืออย่าไปใส่ใจไปให้ความสาคัญไปมากร้อนก็นเฉยเฉยสบ้างหนาวก็เฉยเฉยสบ้างขนรกก็เฉยเฉยสบ้างมันนอกวิสัยไปเต้นไปทําอะไรหระเพราะยังไงมันก็หนาวแล้วอะ่ะมันหนาวอย่าเอาใจไปบวกที่เรายุ่งเนี่ยคือเราใจไปบวกตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าเราใจไปบวกเตียงถามเวทนาเนี่ยมันเกิดเพราะทั้งหมดใ่เรื่องของเวทนาความเกิดขึ้นพร้อมแห่งเวทนาเหล่านี้ เพราะความเกิดขึ้นพร้อมแห่งผัจจัตรงนี้มันต้องมองกระบวนการนะะมองกระบวนการของธรรมชาติเราสัมผัสอยู่ในชีวิตประจําวันแต่ว่าเราไม่ได้เรียกแต่นั่นเองในพระบาลีท่านเรียกให้ดูเพราเช่นสมมติเราเห็นรูปด้วยตาเนี่ยนะจริงๆถ้าตรงนี้ถ้าจะเรียนลึกซึ้งเราเรียนอีกเยอะเลยเห็นรูปทีเดียวเนี่ยถ้ากระบวนการธรรมชาติของจิตเนี่ยมันเรียกเจอะ หนึ่งเราต้องมีจักษุปษระสาทที่ไม่พิการสองต้องมีแสงสว่างสามต้องมีรูปซึ่งอยู่ในวิสัยที่ตาจะเห็นได้เพราะจริงๆอย่างในปัจจุบันในรูปเยอะนะฮะเต็มไปหมดเลยทุกคนทุกแห่งแต่เราไม่เห็นในขณะตรงนั้นแหละตรงที่เราไม่เห็นรูปอะไรเลยในเราเปิดโทรทัศน์ปั๊บก็จะเห็นรูปเยอะเลยเสียงก็เต็มไปหมดเลยเราก็ไม่ได้ยิน เห็นไหมมันไม่ใช่วิสัยของตาเนื้อแต่เป็นวิสัยของโทรทัศน์แล้วก็มีรูปบางอย่างที่โทรทัศน์เองรับไม่ได้รูปคทิปตทั้งหลายเนี่เทวทัศน์รับไม่ได้ไอ้ไม่ใช่โทรทัศน์รับไม่ได้เราะงั้นก็ต้องใช้ตาทิฟต์ดูรูปของเทพเจ้าทั้งหลายรูปเทวดาพวกเปรตพว ก, ก, กอสุรกายะอะไรต่อไรนี่นะฮะเป็นมาแต่เขาแสดงตัวเราปรากฏเสียงก็เหมือนกันเสียงทิฟต์เรารับไม่ได้นะวิทยุเราไนี่รับไม่ได้ แต่ว่าครูทิปเนี่ยสามารถรับเสียงทิปได้ก็แสดงว่าสิ่งที่เราสัมผัสเนี่ยมันยังไม่ลึกเท่าไหร่หรอกที่ท่านสัมผัสแต่ท่านสัมผัสได้ลึกกว่านั้นเพราะงั้นกระบวนการตัวนี้มันคือเดินขึ้นมาว่าตาเห็นรูปต้องเราต้องมีมานสิการด้วยนะองค์ปกรณ์สามอย่างนั้นก็ยังยังไม่ได้เห็นรูปหรอก อย่างที่เคยยกตัวอย่างมาเหมือนเราเดินสวนกับคนเนี่ยเราก็ไม่เห็นหรอกแต่ถ้าถึงจุดหนึ่งนะเราเกิดใส่ใจสนใจขึ้นมาเราก็รู้จักแล้วก็จำแล้วก็มีสุขมีทุกข์ตามไปทีนี้พอพออายตนะภายในภายนอกนะฮะมาประจวบกันข้าวก็กลายเป็นบิญญาณไปวารู้รูป รู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้อย่าง้สหวงแข็งแต่บางทีนี่ไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะเราต้องผ่านกระบวนการจํามาด้วยก่อนจําต้องมีเวทนาอยู่ก่อนแต่ไม่งั้นเราก็ไม่รู้เรื่องเยอะไปอะไรเรามีไม่รู้ทุกวันแล้วก็มีรู้ทุกวันเห็นรูปดีใจเสียใจเนี่ยก็มีอยู่ทุกวันเห็นแต่มากหรือน้อยแต่นั้นเด็กนั่นคือกระบวนการที่จริงๆมันก็มีอยู่กับตัวเราแต่เราไม่สังเกตไม่ศึกษาแล้วเราก็มีปัญหาเพราะเขามาตลอด ทีนี้ประการต่อไปทั้งสามอย่างเนี่ยเขาเขาอายตนาภายในภายนอกวิญญาณรวมกันก็เป็นสัมผัสผัสสะเรียกว่าจักรคูสัมผัสสชาเวทนาก็กลายเป็นเวทนาเวลาเขาเรียกสัมผัสเนี่ยเขาไม่เรียกเต็มอย่างนั้นเขาเรียกจักรคูสัมผัสโซโซตาสัมผัสโซคาสัมผัสโซจิวะสัมผัสโเรียวจักรคูสัมผั ส, ส, ผ ส, ส, ผสคือการกระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็ทางใจมันก็เกิดเป็นเวทนา คือจิตมันเสวยอารมณ์แต่อย่างที่บอกนะเราต้องจําเขามาก่อนจึงจะเสวยอารมณ์ถ้าไม่งั้นมันไม่ถึงยินดียินได้เลยแต่เพราะว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเป็นสัญญาคือความทรงจําเราลองสังเกตนะสมมุติว่าเราไปออฟริกาไปเจอสาวงามปากเป็ดเข้ามาเนี่ยไม่มีใครใครใครนึกเสนอหาอะไรอะ่ะหรือว่าเจอกระเหรี่ยงคอยาวอย่างเงี้ยก็น่ากลัวไปเลย เพราะเลยเพราะเราไม่มีสัญญาคือความจําในลักษณะตรึงตราประทับใจเกิดกับหนักรักใคร่พอใจมันไม่มีเพราะสิ่งเหล่านั้นที่จริงมันก็จักแต่ว่ารูปศัก์แต่ว่าเวทนาแต่นั้นเองเพียงแต่ว่าใจเราไปปรุงไปตีค่าไปให้ความต้องการแก่เขาแในที่สุดมันก็เกิดความรู้สึกเป็นเวทนาคือเป็นสุขเป็นทุกข์ขึ้นมา ทีนี้ท่านก็บอกว่าความเกิดขึ้นพร้อมแห่งเวทนาย่อมมีเพราะความเกิดพื้นพร้อมแห่งปัสะตัตหาเป็นปฏิปทาให้ถึงความเกิดขึ้นพร้อมแห่งเวทนาเดี๋ยวแม้าสุขเนี่ยเราก็เกิดกามันตนาภาวะตัณห า, หาถ้าเกิดไม่ชอบเราเกิดวิภวะตัณหาว้ใวิทภวะตัณหาที่จริงมันเป็นอาการกัตถสัต์ให้เราสังเกต น, นะฮะเป็นอาการกัตถสั์ บางครั้งเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเรามีธรรมะเช่นว่ามีพระบางองค์ญาติโยมอะไรมาคุยเชียร์หลวงพ่อเป็นอย่งงางนั้นอย่งงางนั้นหลวงพ่อท่านไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ต้องการธรรมศาสตรไม่ต้องการรับชั้นยศอะไรไะแต่ไรหรอกเดีวก็เราเนึกว่าท่านท่านท่านมีธรรมะแต่ที่จริงไม่ใช่อ่ะท่านประเมินตัวท่านสูงไปธรรมศาสตร์ที่ให้มันเล็กไปเลยไม่เอาลองให้ใหญ่ๆลองดูสิเอาเลย วัฒนาตรงนี้เป็นเป็นไม่ใช่มองชั้นเดียวนะฮะไม่ได้มองชั้นเดียวคือคนบางคนในวันที่หลงตัวเองหลงตัวเองว่าเราจะได้จะมีจะเป็นจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ไม่มองเห็นความต้องการของคนอื่นไม่ให้ความต้องการแก่คนอื่นนั้นก็พวกนี้ก็กลายเป็นเป็นแส ด, แดงให้เห็นว่าตัณหา ตัณหาเป็นปฏิปฏทาเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความเกิดขึ้นพร้อมแห่งเวทนาทีนี้ย้อนกลับขึ้นไปข้างบนนะฮะเราสังเกตว่าเป็นการมองแบบย้อนกลับสาวกลับขึ้นไปข้างบนว่าความดับไม่เหลือแห่งเวทนาย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งปัจจัดูทีนี้อะไรคือทางออกเพราะว่า พอพูดถึงเวทนานั้นให้ลองสังเกตว่าทรงใช้เต็มยศไม่ได้ใช้ยอย่างอย่างในกรณีขันห้าใช้เต็มยศก็คืออะไรก็คืออะไรเป็นเวทนาอะไรเป็นความเกิดขึ้นพร้อมแห่งเวทนาอะไรเป็นปัฏฐาปฏิปัาให้ถึงความเกิดขึ้นพร้อมแห่งเวทนาอะไรเป็นความดับไม่เหลือแห่งเวทนาอะไรเป็นปฏิปัาถึงความดับไม่เหลือแห่งเวทนาไหมอริยศาสตร์ครบเลย อะไรหนอเป็นเวทนาก็นี้คือทุกข์ัตริ์อะไรคือทุกข์อาจจะถามอย่างไงก็ได้อะไรเป็นความเกิดพร้อมขึ้นแห่งเวทนาอันนี้คือผัสสะผัสสะมันก็เป็นทุกข์ัตริ์เหมือนกันนะนะเป็นทุกข์ัตริ์เหมือนกันอะไรเป็นปฏิปทาให้ถึงความเกิดขึ้นพร้อมแห่งเวทนาก็ตัณหาอันนี้คือสมุทัยเห็นไหมอะไรเป็นความดับไม่เหลือแห่งเวทนานี่คือนิโรธ อะไรเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งเวทนาะไอ น, นี้ก็คืออริยมรรคเป็นองค์แปดประการเพราะงั้นจากพระสูตรตรงนี้ก็รักษั่งเล่าเนี่ยก็แสดงว่าอริยมรรคเป็นองค์แปดประการพระองค์ก็ทรงมองเห็นว่ามันมีเขาจะไปอย่างนั้นตรงนี้ทําให้เราเห็นว่าพระโพธิสัตว์ทรงมีความเชื่อมั่นมากเขาถ้าไม่เชื่อมั่นไม่กล้าขึ้นไปอธิษฐานอย่างนั้นหรอก คือสิ่งทั้งหลายนี่ก็เรียกว่าตรวจสอบมาอย่างดีเป็นเรื่องเรื่องตรงนี้ที่น่าสังเกตเคยคุยกับพระอาจารย์ผู้ใหญ่องค์หนึ่งแล้วก็บอกท่านบอกว่าไอ้พยายามมารที่มาผจญพระพุทธเจ้าบนต้นโพ้นะก่อนที่จะจะสรู้นาั้มาันอะไรมันคือกิเลสแหละท่านบอกว่ามันคือกิเลสว่ไม่จริง่ะหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ไปดูที่ ท, ที่ที่หลัก วัดพระพุทธเจ้าบรรลุฌานแล้วที่ขึ้นไปนั่งบนต้นโพเนี่ยบรรลุฌานมาแล้วกิเลสเกิดขึ้นมันก็สภาวะธรรมก็เละหมดเลยเพราะพวกนี้เป็นวิคัมพนะวิมุติคือหลุดพ้นจากกิเลสด้วยการสยบกิเลสไว้เป็นวิคัมพนะปะหารการละโดยการก็เรียกว่ากดทับกิเลสเอาไว้กิเลสไม่ีทางที่จะฟูขึ้นนะ่ะตรงนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงว่า แม้แต่โครงสร้างของเรียสัตร์เองเนี่ยก็ทรงพิจารณาแล้วพิจารณาเห็นมาเป็นข้าวความนะฮะคงไม่เจตสมบูรณ์อะไรแต่ว่าเป็นข้าวความแล้วในที่สุดก็จะเห็นว่าสุขโสมนัสใดๆที่อาศัยเวทนาแล้วเกิดขึ้นสุขและโสมนัสนั้นแหละเป็นรสอร่อยของเวทนา เวทนาก็คือขันนะ่ะขันก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกเวนตตาอีกว่าก็กลับมาที่สามัญลักษณะเหมือนเดิมทีนี้ความไม่เที่ยงเนี่ยบางทีเนี่ยท่านอธิบายไว้เยอะพระบาลีอัตถกถาด้วยกันตาวถือว่าตั้งยี่สิบกว่านะฮะแต่ว่าหลักที่เราจับจับสุดมาเร า, าพูดที่ว่าไม่เที่ยงก็คือหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสองมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ 3. มเป็นการตั้งอยู่ในขณะขณะขณะขณะขณะก็ต่อกันเป็นแถวแล้วก็สี่คือรงกันข้ามกับไอ้สิ่งที่เราเรียกว่าเชี่ยงนั่นก็คือแนวที่กำหนดง่ายๆนะ ค, คือไม่ต้องเอามาหมดเอามาหมดมันก็ต้องท่องเป็นอาขยานแต่ว่าทำยังไงให้เห็นสักอย่างให้ดหูเห็นสักอย่างหนึง่งแล้วมันจะมองไปหาที่อื่นเองเพราะจุดสำคัญเนี่ยมันเหมือนกับอะไรล่ะเราจุดไฟขึ้นมาเนี่ย หยุดไฟขึ้นมาแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆนะฮะแสงสว่างก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรอเปิดสวิตช์ไฟแล้วก็เรียบร้อยไปเลยเพราะได้สุขสมนาเแต่แน่นอนมันก็เป็นคุณเป็นความอร่อยเป็นคุณเป็นความดีงามของเวทนาแต่มันอยู่กับเราตลอดไปแรือเปล่าก็เปล่ามันก็ตกอยู่ในกฎของใจรักคือไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นนัตตาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นโทษเป็นโทษของเวทนาเป็นอาทินกของโทษเวทนาเพราะฉ้นการ นำออกเสียได้ซึ่งความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในเวทนาเวทนาไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นเวทนาเวทนาไม่ได้เป็นตัวตนของเราอย่ายที่ทรงแสดงไว้ในนัตตลกนัสูตรนะคข้อนี้อันเธอทั้งหลายพึงเงินด้วยปัญญาชอบตามความจริงได้อย่างนี้เพราะถ้าทำอย่างนั้นจะได้นะการละความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจนำเวทนาเสียได้ นั้นเป็นอุบายเครื่องออกพ้นจากเวทนาได้ดังนี้ประมาณความมาเดินไปตามบริมัรเปองแปประการนะซึ่งจะช่วยให้คนได้หลุดพ้นจากความเกี่ยวเกาะแห่งเวทนาท้งฝั่งทั้งหลายใต้ลมประพุทิยาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง อ, อ ก, กรรมไปพูนในธรรม